ว่าเราภาวนาแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงๆไม่ต้องชวนให้เชื่อเลยเหมือนซาบซึ้งถึงอกถึงใจไม่ใช่ต้องเชื่อเชื่อเอาตามตามกันมานี่พวกเราภาวนายัางไม่ได้ธรรมะเนี่ยศรัท ธ, ธาเรายังแกล่งได้เรียกว่าจระศรัท ธ, ธาจาจานหลอลิงจระคระล้ายจระจนศรัท ธ, ธาของเรากลับกลอกได้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 ที่แกวนงป้ายว่าชาวพุทธชาวพุทธนั้นไม่ใช่ชาวพุทธหรอกเพราะไม่ได้ศึกษาบางคนก็วาดภาพศาสนาเป็นสิ่งก่อสร้างเรียกศาสนาัตถุคือตัวศาสนาอย่างบางคนมาที่นี่นะไปมีคนหนึ่งไปที่เมืองการไปดูสาลาที่เมืองการปุ๊บบอกผมไม่นับถือหรอกวัดอย่างเงี้ยถามว่าทาไมอ่ะไม่มีชอบฟ้าอ๋อ นับถือชอบฟ้ามึงไม่นับถือศาสนานะนับถือชอบฟ้าหรือบางคนก็มองศาสนาคือตัวพิธีกรรมตัวพิธีกรรมต้องมีพิธีอย่างโ น, น้นต้องมีพิธีอย่างนี้ตอนหลวงพ่อไปอยู่เมืองการนะมีโยมคนหนึ่งมาผมจะมาสมัครเป็นมักคนายกบอกทำอะไรมัรคนายกมีหน้าที่อะไร เวลาตอนเช้าพอโยมมานะผมจะอาราธนาศีลบอกให้ศีลทุกวันเลยเหรอทุกวันเลยครับต้องทํามันรักษาป่ะชักอึ้งนะนขอศีลทุกวันแต่ไม่รักษามันก็โกหกมากกว่าเก่าอีกแล้วจะมาอาราธนาธรรมะต้องมาขึ้นก่อนท่านจะเทศต้องมีพรหมมาจโลกาก่อ น, นถ้าพระพรหมไม่มาแล้วก็เทศไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรพรมไม่มาแต่โยมมาเราจะเทศแล้วเนี่ยถ้าไม่พรหมมาก่อนไม่นับถืออะไรเงี้ยคือคนส่วนใญ่น่าสงสารนะได้อย่างนั้นเองหรือศาสนบุคคลถะบวชบวชตามตามกันไปนะบวชแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะคืออย่างน้อยบวชแล้วต้องศึกษาอย่างน้อยปริยัตต้องเรียนถ้าไม่เรียนปริยัติก็ต้องเรียนปฏิบัต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 กิเลสก็เหมือนเดิมความรู้ความเข้าใจก็เหมือนเดิมมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาฉะนั้นถ้าบวชเราก็ต้องเรียนโบราณเรียกว่าบวบวชเรียนนะไม่ใช่บวชลอยๆอยอย่างน้อยเรียนปริยัตถ้าไม่เรียนปริยัติก็ต้องเรียนปฏิบัติเรียนปฏิบัติคําว่าเรียนหมายถึงต้องรู้หลักนะต้องเรียนหลักของการปฏิบัติไม่ใช่เรียนปฏิบัติก็คืออยู่ๆก็ไปหลับหูหลับตาภาวนาเอาเอง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 อยากได้ที่ประจักษสุหลวงพ่อเคยเจอนะมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันภาวนามันอยากได้ที่ประจักษ์สุถนะาม ว, ว่าอยากได้ทำไมไม่เราจะได้มองทะลุผ้าของคนอื่นมันเห็นธรรมะเป็นเรื่องอะไรจะทะละุฝาห้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ไม่ได้เรื่องเลยนะมีจริงๆด้วยสมถะนะเราทําไปเพื่อให้ใจมันมีเรี่ยวมีแรงที่จะทำวิปัสสนา มิปัสสนาทําไปเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจนี้ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์งั้นเราทํำมิปัสสนานี่เพื่อให้รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจรู้เราได้อะไรรู้รู้ถึงที่สุดนะนจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพระอรหันต์ไม่ใช่คนประหลาดนะพระอรหันต์อย่าไปวาดภาพพระอรหันต์ประหลาดเกินเหตุ พระอรหันต์จะทําอะไรก็ไม่ได้กระดุกกระดิกก็ไม่ได้วันวันต้องนั่ง เ, งเง ช, ออชื่องเชื่องเหมือนนกกระยางรอให้ปลามาใกล้ๆจะได้ฉกเอาเชื่องเชื่องห้ามกระดุกกระดิกพระอรหันต์จริงๆก็คือท่านผู้ภาวนาจนมีปัญญานะเห็นทุกข์เห็นโทษของขันนะขันห้าเป็นทุกข์เห็นอย่างนี้แล้วท่านปล่อยวางความยึดถือขันได้จิตท่านแยกออกจา ก, กขันพรากออกจากขันไม่ยึดถือขัน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 ทำอะไรๆก็มีสติคิดถึงพระพุทธเจ้าก็คิดด้วยความมีสติอย่างหัดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทยูขาดสตินะพุทโธไปเรารู้สึกตัวไปพุทโธไปแล้วรู้สึกตัวไปนะนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราจะทำยังไงจะเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่ได้ภาวนาให้เคลิมเคลิมภาวนาให้รู้สึกตัวนั่นะอย่าทิ้งสติ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 อย่างถ้าจะตกปลานะเออมีคนโยนเบ็ดพร้อมกันร้อยอันปลางงเลยจะกินอันไหนดีเห็นไหมว่ายไปทางนี้ไม่เอาตัวเล็กไปว่ายทางนี้ก็ใหญ่ไปเกินพอดีเกินคำไม่เอาวกไปวกมาไม่ได้กินต้องมีเหยื่ออันเดียวเยืะ อ, อันเดียวหน้าปลาฝูงหนึ่งยิ่งดีมีเยืะ อ, อันเดียวล่อจิตของเาาราปาติร่อนเร่ไปเรื่อยวิ่งไปทางตา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 อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตก็ไม่หนีไปไหนจิตเค้าเคลียอยู่แต่ระวังอันเดียวอย่าให้ขาดสตนะิอย่างเราหายใจไปถ้าใจเคลิม้มก็รู้ทันว่าเคลิม้มหายใจไปใจฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าใจฟุ้งซ่านไปนะใจก็มีความสุขเคล้าเคลียสงบอยู่กับลมหายใจนะจนกระทั่งลมหายใจมันสว่างขึ้นมานะหายใจไปเรื่อยๆเวลาจะเข้าฌานไม่ใช่รู้ลมหายใจหรอกจะบอกให้ พวกเรามั่วๆนะบอหายใจแล้วก็เข้าฌานรู้ลมหายใจแล้วเข้าฌานไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกลมหายใจเบื้องต้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตรู้ลมไปเรื่อยสบายจิตใจมีความสุขนะมันจะสว่างขึ้นมาความสว่างมันเกิดขึ้นนะใจมันสงบลงมาในทางร่างกายเวลาจิตสงบลงมานี้เลือดจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านี้เลือดจะมาเลี้ยงทางนี้เยอะ จะให้ความรู้สึกที่สว่างขึ้นมาจิตมันก็สว่างนะกายมันก็สว่างขึ้นมาผ่องใสความสว่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเอาความสว่างเนี่ยมาเป็นนิมิตแทนลมหายใจแล้วต่ไปความสว่างมันเข้มข้นขึ้นนะเป็นดวงขึ้นมาให้เล็กก็ได้ให้ใหญ่ก็ได้จิตใจก็มีความสุขสนุกมีความสุขอิ่มเอิบเบิกบานมีปีติขึ้นมาเข้าฌาน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 ลมหายใจก็หายร่างกายก็หายโลกทั้งโลกก็หายไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวนะก็ยังไม่ขาดสติกนะจิตตัวงเดียวอยู่งั้นก็เด่นอยู่งั้นไม่ลืมเนอ้อลืมตัวทําไมต้องมีจิตขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเพื่อเราจะได้เอาไว้ต่อบิ ป, ปัสสนานั้นบางคนทําให้ถึงชานก็ไม่เป็นไรนะแค่หัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่อยๆดูไปพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเห็นไหมใจมีค่อยตั้งมั่นขึ้นมา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 หายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตอีกคนนึงเป็นคนดูนะเนี่ยเฝ้ารู้ไปจนกระทั่งจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเราทําสมถะเป็นนะเวลาบางช่วงบางครั้งบางคราวจิตก็เข้าพักสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะแต่สงบไม่แสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบไม่คิดไม่เนึกอะไรนะใจว่างสบายสว่างอันนี้ทําสมถะเต็มที่ต่อไปก็หัดนะ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 ดังนะั้นจิตไหลไปคิดว่าวโอ้หลงไปแล้วมีคําว่าแล้วนะหลงไปแล้วะทําไมต้องมีแล้วด้วยหมายถึงว่าหลงไปก่อนไม่ได้ห้ามหลงหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงหลายคนทําภาวนาผิดนะไปจ้องรอดูไหนเ ม, ม, มื่อไร่จะหลงเมื่อไหร่จะหลงในจ้องใหญ่ไอ้ขณะที่รอดูนั่นหลงเรียบร้อยแล้วนะหลงเรียบร้อยแล้วไม่มีวันรู้เลยว่าหลงเป็นยังไงมันหลงไปเรียบร้อยแล้ว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 โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธตามดูไปเรื่อยจะทํา ouais อะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําแล้วได้ผลอะไรถ้าเราตามดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้นี่เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้นานๆจะม like. ีอย่างอื่นแทรกเดี๋ยวโลภขึ้นมาแล้วก็รู้ะแล้วก็หลงหลงหลงไปอีกนะแล้วก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อ้าวเดี๋ยวโกรธขึ้นมาอีกแล้วนานๆจะมีโลภแทรกนานๆจะมีโกรธแทรกที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 บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายสามสิบหกวันก่อนท่านมรณภาพหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อบอกว่าพ่อผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ออกจากหลวงปู่ดูลัมอีกฟันหนึ่งไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็บอกท่านไปหาหลวงปู่ดูลมาหลวงปู่ดูลสอนอย่างเดียวกันนี้บอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพ่อผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้สอนอย่างนี้ พอได้ยินอย่างนี้นะเลยพยายามทำลายผู้รู้ทั้งๆ ท, ที่ผู้รู้ยังไม่มีเลยมีแต่ผู้หลงนะแต่หาทางทำลายผู้รู้สติแตกสิตอนนี้อย่าเพิ่งทำลายผู้รู้นะไม่ใช่เวลาทำลายผู้รู้เอาไว้ได้พระอนาค า, กก า, าคก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องทำลายผู้รู้นะตอนนี้เรายัางไม่ได้เราก็ยังไม่ทำลายเราต้องมีผู้รู้ไว้ก่อนสังเกตไหมเดี smoothly, LD, ๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โลภอะไรเงี้ยใครรู้สึกไปเรื่อย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 คนไหนขี้โมโหนะอะไรนิดหนึ่งก็โมโหอะไรนึงก oh ็ขัดใจก็ oh a, เอาจิตที่มีโมโหนี่แหละมาเป็นวิหารธรรมจิตกโกรธขึ้นมาก็รู้ขนาดที่รู้ว่าโกรธนั้นคือจิตที่รู้จิตนั้นไม่โกรธนะเดี๋ยวก็โกรธอีกเดียดเดยดเด๋ยวก็รู้เดีย๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รู้แม้มจะเกิดทั้งวันเพระฉนั้นอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้นะัต้องเป็นอารมณ์ที่เกิดทั้งวันเราจะได้มีสติได้ทั้งวันหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยเผลอไปรู้สึกตัวนะรู้รู้ทันว่าเผลอนี่ก็รู้สึกตัว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 ทำดียังไงเดี๋ยวก็แย่ขึ้นใหม่อีกละมีแต่ของไม่เที่ยงนะเห็นแล้วอิจนาระอาใจในสุดไม่ยุดไม่ยุดจิตใจด้วยนีสุดท้ายไม่ยุดทั้งกายไม่ยุดทั้งใจก็ไม่ยุดสิ่งใดในโลกนะจิตก็หลุดพ้นจากความยึดถือเรียกว่าวิมุตินะจิตหลุดพ้นหลุดแล้วจะได้อะไรได้ได้เห็นนิพพานแต่ไม่เป็นเจ้าของนิพพานนะนิพพานไม่เป็นของใครหรอกนิพพานเป็นธรรมดาของโลกอย่างนั้นเป็นธรรมะประจําโลกอย่างนั้นแต่ว่าผู้ใดไปเห็นนิพพานผู้นั้นมีความสุขนะ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 ทำอย่างไรนะสมาธเนี่ยให้จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายและจิตจะสงบมิปัสนานะให้ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปใจเป็นแค่คนรู้คนดูไปเรื่อยนะโลบขึ้นมาแล้วรู้โกรธมาแล้วรู้อะไรดูไปเรื่อยรู้แล้วได้อะไรนะทำแล้วได้อะไรถ้าทําสมาธิก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาทํำ ม, มิปัสนาก็ได้ปัญญาเห็นความจริงของกายของใจได้เห็นความจริงแล้วก็หมดความยึดถือปล่อยวางนะเข้าถึงบรมสุขที่แท้จริง นี่วันนี้เทศจะจบหลักสูตรเลยนะเ้าเชิญไปทานข้าวนี่มลเลยครับ